ต อ, อคุณพระตะไตร์โอกาสหลวงพ่อทองสุขหลวงพกรมพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์ทรงศิลป์และเพื่อนศรธรรมิกทุกท่านอาจารเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับวันออกพรรษาพอดีนะวันออกพรรษานี่ก็ถือว่าพระเนี่ยทําไมต้องจำพรรษากันนะก็เพราะในสมัยพุทธกาลนั้น ปกตินั้นพระนะ่ะจะมีการเดินจาริกไปเรื่อยๆททาทั้งปีพอเข้าหน้าฝนแล้วก็ยังไม่หยุดจาริกนะก็ยังเดินทางจาริกไปเรื่อยๆนะจนไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนา เ, นเสียหายก็มีผู้ที่ไปฟ้องต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเออทาไม พระเนี่ยยังเดินอะไรกันนักหนามากมายแม้แต่ช่วงหน้าฝนก็ยังไม่ยอมหยุดเดินพระองค์ก็เลยทรงมีพระอนุญาตให้พระเนี่ยได้อยู่จำพรรากันจะได้ไม่ไปเหยียบย่ำก้าวเนี่ยข้าวในนาเป็นเวลาสามเดือนนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาสามเดือนเนี่ยก็เป็นช่วงที่พระเนี่ยได้หยุดอยู่กับที่ได้มีสถานที่ที่ว่าอ่า เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างที่เรียกว่าให้จริงจังขึ้นมานะแล้วก็โดยอาศัยเหตุนี้แหละพระก็เลยนะถือโอกาสนี้ในการที่จะอยู่ร่วมกันนะในการจมัสาสาเป็นเวลาสามเดือนนะจนวันนี้ก็เป็นวันออกจ ร, รัษาแล้วซึ่งจะเป็นวันมหาปวารณามาปวารนาก็คือการที่พระเนี่ยก็จะมีการนะพูดกันนะใครที่มีความ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขนะก็จะต้องพูดกันพูดกันได้แล้วก็ยอมเราฟังกันแล้วก็ไม่มีการถือโทษโกรธเคืองกันในจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นวันมหาปรานาก็คือสามารถตักเตือนกันได้นะอันนี้นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าเออพระเนี่ยกปได้ปรับปรุงตัวเองว่าสิ่งใดที่เราไม่ถูกไม่ต้องอ่าเราก็ได้แก้ไขตัวเราเองนะนี่ก็เป็นจุดสําคัญในวัน ออาภาษาคือเป็นวันมหาปรินาลหลังจากนั้นก็เป็นพิธีการรับกระถินเป็นช่วงกระถินเป็นเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันพุ่งนี้เันต้นไปนจนถึงวันอ่าขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหรือตรงวันลอยกระทงนั่นเองเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งจะเป็นวันที่รับกระถินได้ในระยะนี้เท่านั้นนะคราวนี้เนี่ยอืม การปฏิบัติธรรมทั้งหลายแหลเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องปฏิบัติในปันรษาอย่างเดียวนะแม้แต่พระหรือนักบวชทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าเวลาเข้าบรญสาก็คือเวลาปฏิบัติแต่จริงๆเราคือต้องปฏิบัติอทุกๆวันอตลอดเวลาเพราะว่าอะไรนะเมื่อกี้เราสวดพระธรรมจักรกับประวน า, นาสูตรไปแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญที่สุดในนาสูตรนี้นะ เราจะเห็นจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยมีคําสั่งสอนมากมายนะบางคนกล่าวว่ามีถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมขันมากมายเหลือเกินนะไม่รู้ว่าจะจับประเด็นตรงไหนคือมีมากจนจับประเด็นไม่ถูกนะครั้นี้ประเด็นจริงๆเนี่ยในพุทธศาสนาสามารถที่จะแยกเป็นสองประเด็นเท่านั้นนะก็คือให้เห็นว่าความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะให้เห็นความทุกข์ ประการที่สองก็ต้องปฏิบัติเพื่อความดับทุกนั้นเนี่ยมีแค่นี้เท่านั้นเองไม่ได้มีเยอะไปกว่านี้นะเ <c oughs> พราะนั่นที่พระพุทธในทรงแสดงในธรรมจักรก็คืออริยสัจสี่นะก็คือจุดประเด็นนี้เท่านั้นเองว่าพุทธศาสนาในสรุปในตรงนี้ทั้งหมดก็คือทุกเนี่ยมีทุกขเนี่ยแล้วก็มีสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก็คือสมุ ท, ทยัยนะนนี้ก็คือประเด็นแรกก็คือความที่เกิดทุกข์ขึ้นมานะ ปรการที่สองก็คือความดับทุกข์หรือนิโรธเนะี่ยคือถึงซึ่งความดับทุกข์หรือถึงซึ่งถึงซึ่งพันิพาณนะแล้วการปฏิบัติอย่างไรเพื่อความดับทุกข์ก็คือปฏิบัติในมรรคมายองแปดอันนี้ก็คือประเด็นที่สองนั่นเองก็คือให้เห็นทุกข์และความดับทุกข์นั้นแค่นี้เท่านั้นเองนะไม่มีมากไปกว่านี้เนะี่ยถ้าเราจับประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมก็ยังง่าย ก็คือให้เราเห็นก่อนว่าเราเนี่ยมีความทุกข์จริงๆนะครั้นี้การนี้เราจะเห็นว่ามีความทุกข์จริงๆเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องมีปัญญาในตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่วเราเห็นความทุกข์ในสิ่งที่ว่าเอ อ, เ, อ, อเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิว อ, อ่เจ็บไข้ได้ปวดเป็นความทุกข์อันนี้มันไม่พอสําหรับคนที่ยังไม่มีปัญญานะคนที่ไม่มีปัญญ า, าบอกว่าเออแค่นี้ทุกข์เท่านั้นเองมันก็เป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้อะหิวก็ไปกินง่วงก็ไปนอน นะเจ็บใครได้ป่วยก็ไปรักษาเพราะนั้นเขาก็คิดว่าเขาไม่มีความทุกข์ในตรงนี้นะเขาก็ไม่มาสนใจปฏิบัติธรรมกันนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์กับตัวเองนะเมื่อก่อนก็เคยเชิกชวนเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมกันหลายหลคนนะอแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีทุกข์หรอกอะไรเงี้ยที่ว่ามาเนี่ยเป็นความทุกข์เล็กน้อยเท่านั้นเองก็บอกว่ามเขามีความสุขแล้วนะไม่มาปฏิบัติธรรมกันนะอันนี้ก็เป็นผู้ที่ยังไม่เห็นทุกข์จริงๆนะ ความทุกข์จริงๆนี่คืออะไรความทุกข์จริงก็คือความทุกข์ในการที่เราเห็นภายในวัดตรังสารนะเห็นภายในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะเห็นว่าเรานะถ้าหากว่าเรายังไม่สิ้นกิเลสยังไม่หมดกิเลสในปัจจุบันชาตินี่แหละเราต้องเวียนว่ายตายเกิดใหม่นะนับภพบนับชาติไม่ท้วนภนะพภูมิก็มีถึงสามเ็ดภูมินะถ้าหากว่าเรานะมีกิเลสนะมีความโลภ โอกาสที่ไปเกิดเป็นเปรตก็มีมากมายนะมีความหลงก็ไปเกิดเป็นเศษตัดเดชานกันมากมายนะมีความโกรธก็ไปลงนรกกันนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องเวียนว่ายไป ไ, ปไ ม, ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดในตรงนี้แล้วก็การเวียนว่ายนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความทุกข์ไม่เป็นความสุขนะแต่มันเป็นความทุกข์นะแม้แต่ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็มีความทุกข์นะเพราะว่าเป็นเทวดาแล้วก็ไม่เช่มีแต่ อ, อมีแต่บุญอย่างเดียวนะมันมีทั้งบาป คนเราเนี่ยเกิดมาสร้างทั้งบุญทั้งบาปแต่กลายมาเป็นเทวดาเนี่ยก็มหมความเราไปเอาเอาบุญมาใช้ก่อนนะอเมื่อบุญหมดแล้วเนี่ยบาปก็จะให้ผลนะพอบาปให้ผลปุ๊บนี่ก็มีโอกาสไปลงนรกนะไปเกิเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดี้ยงานได้ง่ายๆนะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามาเกิดเนี่ยก็เป็นความทุกข์นะความที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆเนี่ย มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะไม่ไว่าจะเกิดเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยมันก็มีความทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะคนที่มีปัญญามองเห็นในจุดนี้แล้วว่าเออตราบใดที่เรายังไม่สิน้นเกลเล็เนี่ยเราก็ต้องเวียนว่ายไปนับภพบนับชาติไม่ท้วนะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตัดว่าอเท่ากองกระดูกที่เร า, เาตายในภพชาติต่างๆมากองรวมกันเนี่ยก็สูงเท่ากับภูเขาสินนลุ เหลือน้ําตาที่เราเคยหลั่งไหลในชาติต่างๆมารวมกันเนี่ยก็จะมากเท่ากับหมหาสมุทรหรือเจ้าต้นข้าวในชมพูทวีปมาทําเป็นกรรำกำละสี่นิ้วเนี่ยจนหมดอชมพูทวีปก็ยังน้อยกว่ภพชาติที่เราเคยเกิดมานะหรือผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยไม่มีนะทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องเกี่ยวข้องกันมาแทบทั้งนั้นเนะพราะภพชาติมันยาวมากนะ อันนี้นะ่ะก็คือความทุกข์ที่เราจะต้องไปเผชิญนะในอนาคตอย่างแ น, น, น่นอนนะแล้วถ้าหากเราเกิดเป็นสัตว์เดี้ยชานเพียงชาติเดียวเท่านั้นนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่กินเนื้อน่อเช่นเะป็นแมวนะอันนี้มันก็ไปสร้างกรรมอีกเยอะแยะเลยนะเราก็ไปติดในภพชาตินั้นนะนะหรือแม้แต่เกิดเป็นสุนัขนะก็ไปติดในภพชาตินั้นนะนะมันก็เป็นสิ่งที่มันหลุดออกมายากเพราะว่ามันมีความพอใจนะ ไม่มีสัตว์ตัวไหนนะหรือสุนัขตัวไหนอยากจะฆ่าตัวตายนะไม่ได้สัตว์ขี้เลือนนะสุนัขขี้เลือนก็ไม่อยากฆ่าตัวตายเพราะมันรักตัวเองนะมันก็ไปติดในภพชาตินั้นเองกก็มีครูบาอาจารย์ไหลไหลองค์ที่ท่านระลึกชาติได้ก็เกิดความสลดใจบางชาติถ้าก็ไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้ยาวนานมากนะติดในภพชาตินั้นนะในในสุนท่านเห็นแล้วว่ามันไม่ดีนะการที่เราเอาบังโพธิญาณเนี่ย หวังจะเกิดเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องไปเวียนบ่ายนานท่านก็เลยสละอะความที่จะไปเกิดเป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไปแล้วท่านก็สําเร็จในชาตินี้เลยเนะก็มีอยู่หลายๆองค์นะบางองค์ก็เลึกได้ว่าเป็นเคยเป็นไก่หลายชาติแล้วนะใช่ไหมสิ่งนั้่านี้มีอยู่จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถระลึกชาติได้จริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นทุกข์จริงๆนะแม้แต่ในคืนที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสู้ในวันเพ็ญเดือนหก ในยามแรกก็ทรงระลึกถึงควาสามารถที่จะเข้าถึงปุกเพนิวาสานอุสติยานได้ก็คือความระลึกไปในภพชาติต่างๆในดิจชาติที่ทรงเคยเกิดเป็นสิ่งต่างๆมาเช่นเคยเกิดเป็นกษัตริย์อ่าเป็นคนยากคนจนหรือแม้แต่เป็นสัตว์ในช้างก็เคยเกิดมาแล้วเนี่ยก็ทรงเกิดความนิพิธายาณก็คือความเบื่อหน่ายในความเกิดเหล่านั้นมาเป็นทุกข์จริงๆนะ ก็เลยบำเพ็ญต่อไปจนกระทั่ ง, งบรรลุอาสวัคคายานก็คือทำกิเลสให้สิ้นไปในคืนวันนั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราสามารถที่จะละลึกชาติเป็นอดีตชาติได้แล้วเนี่ยเราจะเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆในภพชาติที่เราเคยเกิดมานะล้วนแต่มีความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่ามีความสุขนะอันนี้ก็คือปัญญาที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่านี่แหละคือความทุกข์ทิฏาจริงนะไม่ใช่ความทุกข์เล็กๆน้อยเช่น ความหิวความปวดความเมื่อยความงว่วงอันนั้นเป็นสิ่งที่คนเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราก็มีปัญญาบอกในตรงนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่มียังไม่หมดซึ่งกิเลสนะยังมีกิเลสเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็นําให้เรามาเกิดใหม่ได้นะอย่างเช่นต้นไม้ที่สูงสูงเนี่ยอ่าสี 40, 50, 50, ่สิบห้าสิบเมตรนะก็เกิดจากไม่ได้พันธุ์เล็กนิดเดียวนะเล็กเล็กนิดเดียวแต่มันยังมีเชื้ออยู่ เพราะตกไปในพื้นดินที่ดบสมบูรณ์ก็สา ม, มารถโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ชันใดนะจิตของเราที่มีกิเลสอยู่เพียงเล็กๆน้อยๆ น, นะอความโลภความโกรธความหลงเล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยก็นําเรามาเกิดใหม่อนะอยู่ในภพภูมิในสารเภูมิได้ฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ก็คือหนทางที่เราจะต้องไปบัตธรรมนะเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสนะความหมดไปแห่งกิเลสในใจเรานัหลาเป็นหนทางที่เราจะ ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกต่อไปนะนก็อยู่ในธรรมจักรทั้งหมดแล้วนะก็ทรงชี้ให้เห็นนะความทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์นะก็คือวิชาตันหาวประธานนะทรงแสดงนิโรธนะคือหนทางความดับทุกข์นะหรือพระนิพพานเนี่ยมันเป็นหนทางที่สิ้นทุกข์และการปฏริบัติอย่างไรเพื่อเข้าถึงหนทางนั้นก็คือมรรคมิยงแปดนะมรรคมิยงแปดโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเองนะ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติในตรงนี้นะะครั้นี้ที่เรามาเจริญสติเนี่ยเจริญสตินัก็คือการที่เราเข้าสวนทางของศีนสมาธิปัญญาทั้งหมดในตัวมันเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมทั้งหลายนะทุกทุกประการเนี่ยสามารถรวมลงไปในสติได้ทั้งหมดนะสตินี่คือแม่ของธรรมทั้งหลายทั้งสิ้นนะเปรียบเสมือนกับรอยเท้าช้างเนี่ยรอยเท้าของสัตว์ทุกๆชนิด ก็สามารถที่จะรวงเป็นในรอยเท้าช้างได้ฉั้นใดฉั้นนั้นนะเพราะการเจริญสตินี่ถือว่าเป็นแม่บทที่สําคัญนผู้ใดไม่มีสติแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่หลงนะเป็นผู้ที่ขาดนะขาดในสิ่งที่จะนําให้เราไปสู่ความพทุกข์นะก็คือขาดสตินั่นเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ คูบาจารย์ในสายต่างๆทุกทุกสายนะไม่ว่าจะสายวัดป่าหลวงปู่มั่นปริตตโตนะหรือในทุกๆสายนะจะพูดถึงเรื่องการเจริญสติทั้งนั้นนะอหลวงพ่อชาสวัสโอบอกว่านะสมาธิเราไม่เอามากหรอกแต่สติจะต้องมีอยู่ตลอดเวลานะหลวงตามหาบัวก็จะบอกว่าอนะผู้ใดที่มีสติอยู่ก็ชื่อว่ามีความเพียรอยู่นะ ครบาอาจารย์อุตโองจะเน้นเรื่องสติทั้งนั้นนะเพราะการที่เรามีสติแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับ เ, เราเป็นอมีเกราะป้องกันนะป้องกันอย่างไรนะเหมือนกับถ้าเรานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่เปียก น, นะแต่ถ้าหลังคานี้ไม่มีนะเรานั่งอยู่ฝนต้องตกเราเปียกทันทีนะสติก็เหมือนกันก็คือมันก็เป็นหลังคาหรือมันเป็นเนกราะนะ เพราะว่ากิเลสทั้งหลายมันก็เข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่แหละตลอดเวลาครั้ น, นี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยเมื่อเราเห็นรูปเนี่ยเราก็ไปมีความยินดียินไล้ไปผูกพันไปปรุงไปแตดไ ป, ไ ป, ไปแต่งไ ป, ไปยึดไปติดนะนี่แหละก็นําความทุกข์มาให้เราทั้งสิ้นนะไม่ว่าหูหรือตาหรือจมูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจไปกระทบกับอะไรก็แล้วแต่ มันจะเกิดเวทนาขึ้นมาทางนั้นนะเวทนาก็คือความพอใจนะหรือสุขเวทนาความไม่พอใจหรือทุกขเวทนาหรือความที่เราเฉยๆคืออทุกขะมาสุขเวทนามันจะเกิดขึ้นกับใจของเราทุกๆครั้งที่ไปกระทบกับสิ่งต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางตาหูจมลิ้นกายใจนี้นะพอกระทบกระทบปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาทุกๆครั้งนะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะแต่พูดตามปฏิจจสมุ ป, ปบาทนะ ก็คือภัสสะเนี่ยเั็นใจให้เกิดเวทนาเวทนาปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็จัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจเกิดชาติชาตเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะอ่าโศกกาลเทวทูตกระทมนัสปายาสาปิตามายาวเหยียดนะเพราะนั้นเมื่อกระทบแล้วเนี่ยอ่าถ้าหากว่าเราไม่มีสติเราก็จะเกิดความยินดีหรือยินไลในตรงนั้นเนี่ยอันนี้มันก็นําความทุกข์มาให้เราทั้งสิ้นนะ เราไม่ไปปรุงแต่งเป็นความยึดความติดนะว่าอันนี้เป็นของเรานะอันนี้ก็เป็นตันหานะเป็นภวาวะตันหาคือความผูกพันนะหรือเมื่อเรากระทบแล้วเราไม่อยากจะได้ในสิ่งนั้นนะไม่อยากไปติดในสิ่งนั้นอยากออกจากสิ่งนั้นก็เป็นวิภาวะตันหาก็คือความที่เราไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งนั้นนั่นเองนะมาเป็นความที่เรียกว่านําความทุกข์มาเราทั้งสิน้นนะเพราะนั้นเมื่อใจที่มีสติแล้วเนี่ยเมื่อกระทบแล้วเนี่ยเรารู้ทันนะ รู้ท่านสภาวะเวทนาที่เกิดในจิตเราว่ามีความยินดีหรือความไม่ยินดีหรือเฉยๆแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะได้กลับมาเป็นกลางทุกครั้งนะเป็นปกติอยู่นะไม่เข้าไปในสิ่งนั้นนะไม่ไปรักไม่ไปชังในสิ่งนั้นซึ่งนําความทุกข์มาให้เรานะจิตเราจะได้เป็นปกติทุกครั้งนะความไม่ปกตินั่นเองนะเขาเรียกว่าเป็นศีล น, นะคือความที่เราสามารถที่จะมีใจเป็นกลางนะไม่ไปยินดียินร้ายนะ อันนี้แหละก็เราก็จะได้ไม่ทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นนะจิตของเราก็จะกลับมาเป็นเป็นผู้เห็นเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นนะทุกทุกครั้งนะเราก็จะเป็นผู้ผู้เป็นนะอเมื่อเราเห็นนะเราก็จะเป็นรักนะเราก็เป็นผู้รักนะเมื่อเราได้ยินใครก็มาว่าเราเราเป็นผู้ไม่ชอบน่ะก็เป็นผู้ชังนะแต่เราไม่สติเราจะเห็นเออเห็นความที่เราไปชอบไปชังเหล่านั้นเนี่ย จิตที่เป็นผู้เห็นนะเป็นผู้ดูเนะี่ยมันไม่ทุกข์หรอกนะมันไม่ทุกขนะ์ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ก็จะพูดในตรงนี้นะให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะหลวงพ เ, เทียนเขาจะบอกว่าให้เรารู้ซื่อๆรู้เฉยๆนั่นเองนะตรงประเด็นนี่มันสาคัญที่สุดเลยการที่เรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่แหละเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องทําตรงนี้ให้ได้นะ ผู้ที่จะถึงตรงจุดเนี่ยต้องมีสติที่แท้จริงแล้วเนี่ยจึงจะเป็นผู้รู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆนี่แหละเพราะถ้าคนที่ไม่มีสติแล้วมันไม่รู้ซื่อๆไม่รู้เฉยๆเราไปปรุงแต่งดูทุกครั้งนะเ อ, อเราเจอใครเข้ามาสแสดงอาการที่ไม่ศรัทธาเรานะเราก็จะรู้สึกว่าเออทําไมเป็นแบบนั้นนะทําไมเขาสแสดงอาการกับเราแบบนี้นะเราก็ปุงแต่งไปว่าเขาคงไม่พอใจเรากำลังนะหรือเขาจะ คิดกับเราอย่างไรนะอันนี้เราไม่ได้รู้ซื่อๆไม่รู้เฉยๆแล้วเนี่ยเราไปปรุงแต่งต่อนะแต่ถ้าเราเห็นอะไรเออเขาทําอะไรเราก็เฉยๆเราแค่เห็นเฉยมันก็จบแค่นั้นเองไม่ไปปรุงแต่งอะไรต่อไปแล้วนะเนี่องจากมันเป็นสิ่งที่มันง่ายไม่ไม่ยากนะถ้าเรามีสติตรงนี้เราก็ไม่ทุกข์นะความทุกข์เกิดจากจิตที่ไปรู้และไปปรุงแต่งนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรก็ได้แค่เรู้เฉยๆมันจะไม่ปรุงแต่งอะไรต่อไปมันก็จบแค่นั้นเองนะ มันก็จะเป็นการสักแต่ว่านะสักได้ว่านะเห็นก็สักแล้วว่าเห็นได้ยินก็สักแลวได้ยินนะนี่แหลมันมาตรงกับรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเลยนะแล้วคนนี้มันสักได้ว่าเนี่ยมันมันดีอย่างไรนะอันนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้นิดนึงก็แล้วกันนะพระพายยะเนี่ยเป็นผู้ที่นะอ่าเป็นพ่อค้าสัมเภาทางทะเลนะวันหนึ่งก็เรือล่มนะแล้วก็ว่ายน้ําขึ้นฝั่งแล้วก็เสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยนะ ก็เดินเข้าไปในในหมู่บ้านชาวบ้านก็เริ่มเป็นพระหรหันแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นพระหรหันท่านก็เลยรับสมอ้างไปเป็นเช่นนั้นเองแต่ก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่หรอกพอดีมีมีผู้มาบอกข่าวว่าเออตอนในพระเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเออพื่อไปฟังพระเจ้าพอไปถึงพระเจ้าก็บินรบาดอยู่ก็ไปกราบขอฟังธรรมที่ถนนนั้นนะนะกลางถนนเลยพระเจ้าบอกสถานที่นี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะแส่งธรรม อ่าปรเดี๋ยวกลับไปที่วัดก่อนก็จะจะอ่าจะแสดงทําให้ฟังนะพระภัยยาบอกว่าเออข้าพระองค์ไม่รู้ความตาเดี๋ยวมาถึงข้าพระองค์เมื่อไรนะขอสดงแสดงทำเดี๋ยวนี้เถอิดนะก็คออยู่ชั้นนี้อ่าสองขั้นที่สองก็ไม่แสดงจนขั้นที่สามก็แสดงทําสั้น ๆ, ๆให้ฟังบอกว่า <S <S 2> <S 2> <S เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจักไม่มีนเมื่อนั้นท่านจักไม่มีตัวตนนะ ท่านจักไม่มีในโลกนี้อ่ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีอยู่ในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งความทุกข์นะพระพาพาญาได้ฟังตรงนี้จบก็เป็นสําเร็จเป็นพระรหั์เลยนะแล้วก็ทรงตั้งให้เป็นเอตัลคะในการรู้ธรรมได้เร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นคําว่าศักดิวาเน้นไม่ใช่เป็นธรรมที่เล่นๆไม่ใช่เป็นธรรมที่ฟังแล้วผ่านานนะเป็นจุดที่เราจะต้องเข้าถึงในตรงจุดนี้ให้ได้นะมันก็มาตรงกับที่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่แหละ ถ้าเราเห็นเราได้ยินแล้วเนี่ยหรือเรารู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็แค่รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ไปปรุงแต่งต่อไม่ไปยินดีไล่เข้ากลับมาเป็นกลางๆดูทุกครั้งนะอจิตมันเป็นกลางๆจิตมันเป็นกปกติดุครั้งมันก็คือการที่เรารู้ซึ้งนั่นเองแนละมันก็ไปตัดอนะตัดสภาวะแห่งความคิดความปรุงแต่งเป็นเป็นการการวางไปในตัวเลยอยิ่งเราสามารถที่จะทิ้งอะไรได้เร็วอทิ้ง อารมณ์ต่างๆได้เร็วนะทิ้งความคิดได้เร็วนะมันก็ยิ่งจะเป็นการที่ระวังได้เร็วเท่านั้นนะก็เคยมีมาลุงกะยะบุตรนะถามพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วนะเป็นผู้เท่าชะลาแล้วเนี่ย จ, จะไปประธรรมอย่างไรจึงจะได้ผลเร็วนะพระเจ้าก็ทรงแสดงว่ามาลุกะยับุตรเธอหย่าเพลินไปในอารมณ์ต่างๆนะเมื่ออารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้น ก็ให้ละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้เร็วเหมือนกับกระพริบตาฉันนั้นนะอันนี้มันตรงกันเลยว่าเออเมื่อเรามีอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องละให้เร็วเหมือนกับกระพริบตานะก็คือการที่เราวางเราทิ้งเราไม่เอาอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็มาตรงกับการที่เราแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะเพราะการที่เรารู้เฉยๆรู้ซื้อๆเนี่ยมันก็คือการที่เราวางอรมเ์ในตัวแล้วเราไม่เอามัน พรแค่เรารู้แล้วเราเราก็ปล่อยนะรู้แล้วก็ปล่อยเมื่อการละลมนะพอเราละลมได้เร็วมันก็พิปตาเนี่ยจิตมันก็จะคลายจากตรงนั้นทันทีนะคลายเลยนะกิเลสมันก็คลายไปตัวด้วยเพราะนี่เป็นการที่เราคลายกิเลสอย่างรวดเร็วและยังแท้จริงนะกิเลสมันจะติดในใจเราไม่ได้หรอกนะอนะก็วันหนึ่งก็เคยมีนักปฏิบัติก็เคยมามาหาอตาตมาแนละ้วมา มามาก็มาพูดคุยเรื่องธรรมะนี่แหละแล้วก็แล้วก็พูดเออคล้ายๆตัวเองก็ติดอารมณ์ด้วยว่ามันกับไม่พอใจในสิ่งต่างอยู่ก็มาติดอารมณ์อยู่ก็เลยถามเขาว่าเออหน้านี้ปฏิบัติอย่างไรนะเขาบอกว่าก็ปฏิบัติอย่างนี้นะคิดก็รู้ว่าคิดนะหรือว่าไม่พอใจก็รูว้ว่าไม่พอไม่พอใจ อ, อก็เลยบอกเขาว่าแค่นั้นยังไม่พอหรอก เมื่อรู้แล้วก็เราก็ต้องทิ้งต้องวางด้วยนะก็ยกตัวอย่างที่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปเพลินในลมนะเมื่อเกิดลมเกินมันมก็เมื่อเกิดลมขึ้นมาก็ให้วางให้เร็วเหมือนกับกระพริบตาฉันนั้นนะพอเขาได้ฟังปุ๊บก็เลยตาสว่างเลยเออเพิ่งจะเข้าใจนะว่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องวางต้องทิ้งด้วยนะไม่ใช่แค่รู้เฉยๆไม่พอนะเขาก็เลยเกิดความเข้าใจในตรงนั้นนะว่าตอหลังรู้สึกว่าเขาก็ดีขึ้นเยอะนะอันนี้มันก็มาตรงกับรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเลยนะอ่านะ แครรู้เฉ ย, ยมันก็เป็นการวางในตัวแล้วเป็นการทิ้งในตัวแล้วนะแต่ถ้าเราไม่รู้เฉยนะไม่รู้เฉยมันก็ไปติดในลมเหล่านั้นอีกนะเพราะเราไมไ่ไม่ไปวางนั่นเองนะมันก็ไปติดอยู่นะมันก็ยังช้าไปนะเพราะเมื่อเรามีความคิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องวางให้เป็นนะเมื่อมีความคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เราปล่อยความคิดไปเลยนะวิธีการปล่อยก็คือไม่ไปสนใจไม่ไปให้ค่าไม่ต้องไปหารายละเอียดในความคิดนั้น เราไม่ได้คิดว่าเมื่อกี้เราคิดอะไรนะการทิ้งมันก็เราทิ้งแล้วก็เราก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องหยิบขึ้นมาดูใหม่ เ, เมื่อกี้เราทิ้งอะไรลงไปนะไม่จําเป็นอันนั้นมันยังไม่ได้เป็นการทิ้งในแท้จริงนะถ้าเราทิ้งปุ๊บมันจะหลุดหายไปเลยหายวับไปกับสมองแล้วรันทีนะความทุกข์มันก็หลุดไปด้วยเนี่ยพอเราฝึกทิ้งอย่างนี้บ่อยๆนะจิตมันก็จะชนานาญในการที่เราจะปล่อยจะวางจะรู้สึกไปเองนะครั้นี้ที่เราจะทิ้งอารมณ์ต่างๆเราเนี่ยก็เกิดจากการที่เราจะต้องมีความรู้สึกตัวก่อนนะ กลับมาอยู่กับความ ร, รู้สึกตัวให้ได้ก่อนก็คืออาศใส่การเคลื่อนไหวนั่แหละเขาเรียกว่าในสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยก็มีกายเวทนาจิตธรรมก็เริ่มด้วยทางฐานกายนี่ก่อนนะทางฐานกายนี่มีอะไรนะฐานกายนี่ในสติปัฏฐานสี่นี่ในหมวดกายานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานพระเจ้าก็บอกว่าอ่ภิกษุทั้งหลายออื เมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้จะหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเนี่ยรู้ลมหายใจในตรงนี้อันนี้เ็าเรียกว่าเป็นหมวดของอาณาปานสตินะก็คือเป็นฐานกายนะแล้วต่อไปก็เป็นหมวดของอิรูปัปะอ่าก็คือ เมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนอนรู้ว่านอนเมื่อนั่งรู้ว่านั่งนั่นะเป็นอิรบปใหญ่คือรู้ในอาการที่เรายืนเดินั่งนอนนะเราต่อไปเป็นสมัมมิชนญาปะพะก็คืออภิกษุทั้งหลายนะคู่แขนเดียดแขนทรงจีวรสังคาตินะก้มเงยนะเสียงต่างเหล่านี้ก็ให้รู้นะหรือว่าดื่มกินพูดคิด ก็คื อ, อรบทย่อยทั้งหลายแหละก็ให้รู้เท่าทันในรบทย่อยต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็มาจนถึงที่ว่าให้พิจารณาศพทั้งเก้านะศพทั้งเก้านะั้นมีอาการเป็นอย่างไรก็คือการที่เรารู้ไปในกายนั่นเองนะรู้ในกายที่มันเน่ามันเปื่อยอ่าจะได้ละคลายความยึดติดในร่างกายของเราและของผู้อื่นในตรงเนี้ยก็คือหมดกายทั้งนั้นเลยนะเพราะนั่นเมื่อเรารู้ในฐานกายนี่แหละมันก็จะไปเห็นในฐานอื่ น, นด้วยนะ อ่เห็นเวทนานะความสุขความทุกขนะ์ในอาการต่างๆของกายที่มันขึ้นขึ้นไหวในสิ่งเหล่านั้นนะความสุขความทุกขนะ์ของกายที่มันนั่งนานๆยืนนานๆหรือเดินนานๆมันก็มีความสุขความทุกข์ปรากฏอยู่ก็เห็นเวทนานะพอเวทนาเสร็จแล้วก็จะเห็นจิตของเราอีกจิตของเราเห็นอย่างไรนะพระพุทธองค์ก็ทรงตัดเรื่ตรงนี้ว่า เมื่อมีเมื่อจิตมีความลบก็ให้รู้มีความโลบเมื่อไม่มีความลบก็ให้รู้ก็คือให้รู้อากาศขงจิตนะมีความโลบความกดความหลงก็ให้รู้ทันเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่ปฏิบัติในฐานกายได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจิตนะของเราไปในตัวด้วยเห็นความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ พอเราเห็นความคิดต่างๆเราก็จะเห็นสภาวะที่มันเกิดมันดับของความคิดเหล่านี้ยอันนี้ก็เข้าสู่บทธรรมนะก็ทำอนุปัสนาสิทธิฐานคือความเห็นความเกิดดับของความคิดของลมทั้งหลายแหละนะก็เพราะฉะนั้นแค่เราแค่ปฏิบัติที่ฐานกายเท่านั้นเองเราก็จะเห็นหมดเลยทั้งเวทนาจิตและธรรมนะทั้งหมดเลยคราวนี้เราก็มาเริ่มปฏิบัติที่ฐานกายก่อนนะก็คือให้รู้ความเคลื่อนไหวนะเอ่านะ หลวงพเทียงก็เลยให้มีวิธีการง่ายๆในการที่เราสามารถที่จะรู้ต่อเนื่องได้นะรู้ต่อเนื่องในฐานกายก็คือการสร้างสติปีจังหวะเนี่ยอพลิกมือก็รู้ว่าพลิกนะยกก็รู้ว่ายกหยุดก็รู้ว่าหยุดเคลื่อนก็รู้ว่าเคลื่อนอันนี้ก็คือตรงกับในสติปฐานสี่คือคู่แขนเหยียดแขนก็ให้รู้นะเราเดินจงกรมนะก็มาตรงกันอีกนะเดินก็รู้ว่าเดินเนี่ยก็ตรงกันนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ได้ไปบัติที่ต่างผิดวิธีไปจากพระใต้บิดกแต่อย่างใดนะ เพียงแต่เรามาเอามาทำขึ้นมาให้เป็นการต่อเนื่องเท่านั้นเองนะอันเนี้ยพอเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอยากจะได้อะไรอยากจะไปตรงว่าเราจะต้องต้องการอะไรในการปฏิบัติแต่เป็นการลักษณะที่ว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะกายเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็รู้ทันจิตมีการเคลื่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันก็คือเราไม่ต้องไปแสวงหาว่าเราจะได้อะไรแต่เราเป็นการที่เราว่าเรารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในทางกายและทางจิตเท่านั้นเองนะ เมื่อเรารู้ทันบ่อยๆแล้วเนี่ยสติก็จะเกิดขึ้นนะยิ่งสามารถที่เรารู้ทันความคิดได้บ่อยขึ้นเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นบ่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าหลวงป่อเทียนนั่นบอกเองว่าอยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเราก็ไม่ให้ไปห้ามความคิดะเพราะการที่เราสามารถเห็นความคิดที่มันเกิดบ่อยๆเนี่ยอ่า คร้งเราเห็นกันบ่อยๆนี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นความดับกับมันตามมาด้วยถ้าเราแค่รู้เฉยๆแล้วอความคิดเป็นแบบนี้นะแล้วเราทิ้งเป็นเราไม่ไปให้ค่ากับความคิดแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ความคิดมันก็ดับไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเราจะเห็นสภาวะที่มันเกิดดับบ่อยๆในในความเกิดดับของลมทั้งหลายแหละหรือความคิดทั้งหลายแหละนี่แหละเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามมาถึงความไม่เที่ยงของลมเหล่านั้นนะ อหรือการที่เราปฏิบัติแล้วบางวันดีบางวันไม่ดีเนี่ยเราเห็นความไม่เที่ยงในการที่เราไม่ไม่อาจที่จะทําให้เขาดีได้ทุกทุกครั้งมันก็เข้ามาเห็นพระไตรลักษ์อีกนะเห็นเมตไตรลักษ์เข้ามาอีกเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเรานั่งนานๆก็เกิดเวทนาอ่ามันไม่อาจจะทนในสภาวะเดิมได้เราก็ต้องลุกขึมาเปลี่ยนเป็นเดินยงโกลมเป็นนั่งเป็นนอนไปนะเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอมันอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะอ แล้วเราก็กลับมาเห็นว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้เลยนะเดี๋ยวก็จิตก็คิดนั่นคิดนี่มันก็คิดถึงเขาเองนะไม่ใช่เราอยากจะคิดมันก็ทํางานของมันเองนะเราเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะทุกอย่างเนี่มันจะกลับมาเข้ามาสูตรในสภาวะที่เราสามารถที่เข้ามาถึงปไตยรักได้เลยว่าเห็น น, นิจจังทุกขณาตาเนี่ยมันก็จะออกจากความทุกข์ในตรงนี้ได้นะถ้าเราไม่เห็นในตรงนี้มันยังไม่ยึดติดอยูออ่ว่าร่างกายเป็นของเรานะเป็นตัวเป็นตนของเราเราบังคับบัญชาเขาได้เนี่ยมันก็จะเป็นความทุก ตลอดไปนะแต่พอเราเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันไม่เที่ยงไปเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเราบันขับมัญชาเข้าไม่ได้เนี่ยมันจะได้หลุดออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในร่างกายของเรานี่แหละเนี่ยเพราะฉะการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยเป็นการเลอบัตทานแล้วนะเลอบัตทานเมื่อไม่มีอุบัทานแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีทุกขเวทนาตามมาอีกนะ มันเป็นการที่เรียกว่าเราตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทในตรงนี้เลยนะเป็นการตัดอุปทานในร่างกายเรานี่แหละอเป็นการตัดลูกโซ่ของปฏิจจสมุปบาทที่เราจะไม่ไม่จะไปมีภพมิชาติไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใหม่โดยตรงนะนี่แหละจึงว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะนั้นผู้ใดปฏิบัติได้เที่ตรงนี้แหละมันไม่ชาแล้วนะมันไม่ชาที่เราจะพ้นทุกข์แล้วเนี่ยแค่เรามีสติให้ต่อเนื่องกันตลอดเวลาทานันเองนะ อต่อไปเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ในตรงนี้ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวไมต่ตนของเราจริงๆนะเพราะฉะนั้นการปฏริบัติธรรมนี่นะคอยพวกเราเนี่ยปฏิบัติให้ต่อ เ, an, อเนื่องกันตลอดเวลานะต่อเนื่องกันตลอดเวลาหมายความว่าอย่างไรนะพระอาจารย์ภัยสามวิสาโลเคยถามหลเทีไธยตอนไปอยู่วัดสนามนานใหม่ว่าเออปฏิบัติเวลาไหนบ้างหลวเมตไธยบอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะเนี่ยก็คือให้ปฏิบัติตลอดเวลาไม่ใช่เวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาพักก็ไม่ใช่แต่ว่าให้ทําตื่นนอนเนี่ย มีวิธีการว่าเออถ้าเรายังไม่รู้ตัวเนี่ยอย่านลุกจากที่นอนนะต้องฝึกให้เคยชินแล้วมันจะมันจะเป็นประจําทุกวันนะก็คือเราตื่นปป๊บตื่นแล้วเนี่ยให้เรารู้สึกตัวก่อนแล้วเราเคยลุกแล้วไปเข้าห้องน้ําเนี่ยอาบน้ําแต่งฟันล้างหน้าพับพราหมเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวไปตลอดเวลาแล้วมันจะต่อเนื่องไปได้ทั้งวันเองนะแต่ตอนเช้าเนี่ยเราทําไม่ได้มันก็ไม่ต่อเนื่องนะถ้าเราทําได้ต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วเนี่ยมันจะเร็วนะมันจะเป็นสิ่งที่เราเร็วมากในการปฏิบัติธรรม เพราะจริงๆตัวที่จะได้จริงๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ทการปฏิบัตินอกรูปแบบนั่นเองนะให้รู้ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะจิตจะได้มีส ต, ติตลอดเวลานะเขาเรียกว่าการที่เราสีไฟนะบางคนสีไฟเนี่ยสมัยก่อนใช้ไม้ไผ่มันต้องมาสีก็ต้องทําให้เป็นด้วยนะถ้าสีแล้วหยุดสีแล้วหยุดเนี่ยไฟไม่ติดฉันใดนะการปฏิบัติถ้าไม่ต่อนเนื่องมันก็จะไม่เกิดการที่จะได้ผลฉันนั้นนะเพราะนั้นให้เราปฏิบัติให้ต่อนเนื่องกันตลอดทั้งวันนะ และอย่างหนึ่งสําหรับพระหรือนั ก, นกบวชนะ่ะไม่ใช่ว่าเราออกพรรษาแล้วก็คือเราไม่ได้ปฏิบัติแต่เราต้องทําให้ต่อเนื่องให้ตลอดเวลาเช่นกันนะเพราะหนทางเนี่ยถ้าเราทําให้ต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ยจิตมันจะเกิดการละการคลายสิ่งต่างๆตามอย่า ง, างรวดเร็วนะละกายคลายยึดติดนะกลับมาสู่ความเป็นปกติดได้ทุกครั้งเนี่ยหนทางนี่แหละเป็นหนทางความบรรทุกนะเพราะนั้นถ้าใครปฏิบัติจริงๆแล้วหนทางเนี่ยมันก็ไม่ไกลนะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะใกล้ๆนะ แต่เป็นการที่เราจะไปบัติให้มันตรงๆรงนะตรงตรงคือเราเดินให้ถูกทางเท่านั้นเองนะมันถึงความพ้นทุก์อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในชาติเนี่ยไม่ได้หวังได้ว่าพวกเราถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยคนทางความพ้นทุก์เนี่ยก็จะปรากฏกับเราในชาตินี้นะก็ขอทุกท่านเจริญธรรมจริงๆไปนะ